ขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนเสียงเข้าหรือเปล่าได้ยินไหมขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านธรรมาก็ความินดีนะที่มัดได้มาสนทนากับญาติโยมน ะ, มะพวกเราทุกท่านในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีนะ โชคดีประ ก, การแรกก็คือว่าเรามีอายุยืนมีคนน้อยคนนะั้นที่ยังมีอายุยืนอยอ่พวกเราบางคนก็ตายใงแต่ยังเด็กบางคนก็ตายในกระเทียมหญิงสาวแต่พวกเรานี่มีอายุยืนนะเ0สิปสิ อัตาบาก็ไม่รู้ว่าตามาจะมีโชคดีเหมือนโยมหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงหกสิบเลยนะโชคเนี่ยมันไม่ได้มาแบบป่าๆนะถ้าเราไม่ได้ทำบุญเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ยากนะที่จะมีอายุยื น, นปานนี้ เราต้องเคยทำบุญทาบุญศนมาเรียกว่าอาศัยบุญเก่าบุญเก่าเนี่ยมัช่วยให้เรามีอายุยืนแล้วก็บางคนก็ยังมีสุขภาพดีอย่างโยมมาที่นี่ได้แสดงว่าหูยังดีด้วยนะอันนี้ก็เป็นโชคของการที่สองนะ ก็คือว่าไม่ใช่มีแค่อายุยืนแต่ว่าสุขภาพอวัยวะต่างๆก็ยังทำงานได้มานี่ก็แสดงว่าหนะูดี ต, ตาตๆก็ยังมองเห็นรวมทั้งยังมีเท้า ยังมีขาที่สามารถพาเรามาถึงที่นี่ได้หลายคนมีอายุยืนก็จริงแต่ว่าตาบอดนะบางคนหูหนวกบางคนก็เอามาพึ่งเอามาพาดนะแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยที่อยู่ ตรงนี้ข้างหน้าอันนี้ก็แสดงว่าเราได้ทำบุญเราพอสมควรแตจจะทำตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ได้นะแล้วก็หนุนสมให้เรายังมีสุขภาพพอใช้ได้นะสมควรแก่วัยบุญเก่าในภาษาพันธุ์ว่บุญเทะตาบุญยังตา จัดว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งนะเป็นมงคลสูงสุศนด้วยปุกเพย์จะ ก, กระตาปุนจักตาคือความเป็นผู้มีบุญที่ได้ทําไว้ก่อนปุกเพเพราะว่าก่อนมันก็อุปการีอุกปการีแปลว่าผู้ที่ทําบุญทําคุ ณ, คณไว้ก่อนพ่อแม่คือุปการีเพราะได้ทําได้ทําบุญได้ทําคุณไว้ก่อน ในญาติโยมเนี่ยให้ระลึกว่าเราเป็นคนโชคดีแล้วก็ไม่ใช่โชคที่มา ล, ลอยๆแต่ว่าเกิดจากการที่ได้สะสมบุญมีบุญเก่าที่หนุนช่วย โชคประการที่3ก็คือว่าเราไม่ใช่แค่มีอายุยืนไม่ใช่แค่มีสุขภาพไม่คลิบไ ม, ไม่ที่พลิกทิกการแต่ว่าเรายังได้มีโอกาสนะมาได้รู้จักธรรมะ การที่ได้มารู้จักธรรมะเนี่ยได้มารู้จักพุทธศาสนา mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโชคที่มีคุณค่ามากเพราะว่าธรรมะหรือพุทธศาสนานี่แหละนะที่จะรักษาใจของเราให้มีความสุขได้และทำให้เรามีช่องทางในการที่จะทำคุณงามความดีได้ต่อไป อันถ้าจะจารนัยเนี่ยบรรยายถึงโชคที่โยมมีก็คงจะผู้ได้เยอะเช่นการที่ญาติโยมเนี่ยนะมีมิตรมิสหายที่มากันตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีเครือข่ายมิสหายพอสมควรบางคนเนี่ยอายุยืนด้จริงแต่ว่า เหมือนก็นอยู่ตัวคนเดียววิสสหายก็ร่วหายตายจากไปถ้าเรามีอายุยืนแต่ว่าอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีหมู่มิตรมันก็คงเหงาไม่น้อยแต่นั่นไม่ใช่พวกเราเมอพูดถึงเรื่องการยังมี อาหารกินเลือกกินอิ่มนอนอุ่นบางคนเป็นคนแก่อายุยืนแต่ว่าผิวโผยที่หลับที่นอนก็ไม่มีแถนต้องอพยพรีไั่เช่นเจอสึดสงครามเจอสึดสงครามนี่หลายแห่งหลายประเทศตอนนี้ทั้งสงครามระหว่างประเทศหรือว่าสงครามแบบก่อกันล้าย อย่างตอนออกกลาตอนนี้ก็ออกพี่นกฟรีส์พายกันเป็นล้านๆคนแก่ก็เยอะนะไม่รู้ว่าจะมีกินไม่รู้จะมีที่หลับที่นอนหรือเปล่าแต่นั่นไม่ใช่พวกเรา เ, าเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะให้ญาติโยมได้เห็นว่าโว้เราเป็นคนโชคดีนะอยากให้มองเห็นตรงนี้เพราะถ้ามองไม่เห็นตรงนี้เนี่ย จะรู้สึกน้อยเนื้อต่างใจจะมีความทุกข์พอไปเห็นแต่ทุกข์ไปเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่ความยากลำบากคนเราเนี่ยนะจะสุขหรือทุกข์เนี่ยเหมือนกอที่ว่าเรามองเป็นหรือเปล่า หลายคนจะมีความสุขแต่ก็บ่นว่าทุกข์พราเขามองเห็นแต่ทุกข์เขาไม่เห็นว่าเขาโชคดีอย่างไรบ้างเขาไม่บอกว่าตัวมีความสุขอย่างไรบ้าง เพื่อนต่อมาเนี่ยเขียนสองศไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าขอให้เธอเห็นความสุขนะเขาไม่ได้เขียนว่าขอให้เธอมีความสุขนะแต่เขาเขียนว่าขอให้เธอนีขอให้เธอเห็นความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเธอมีความสุขอยู่แล้วหรูเื่อเธอจะมองเห็นหรือเปลา่า เ้ามองไม่เห็นกันนึกว่าทุกข์พวกเราเนี่ยมีโชคแต่ถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นโชคเห็นแต่เคราะห์ก็จะปนวัาทุกข์อันนี้มันเป็นเรื่องของมุมมอ ง, มองนี่ตะมาเชื่อว่าพวกเราเนี่ย นะถึงแม้ว่าโดยตามวัยเนี่ย <c oughs> เ้าเรียกว่าเป็นช่วงวัยขาลงขาลงอัตมานี่ก็ขาลงนะโยมก็ขาลงเหมือนกันไม่เหมือนลูกไม่เหมือนหลานที่กำลังในช่วงขาขึ้นวัยชราเนี่ยคือวัยขาลง เพราะว่าสุขภาพก็ลดน้อยถอยลงกาลงลงบำชาก็ลดน้อยถอยลงบางทีทรัพย์สิสนเงินทองก็น้อยลงด้วยไม่เหมือนตอ น, นอายุสา4สิบสี่สิบห้าสิบตั้งนั้นเป็นช่วงเรียกว่ารุ่งนะถ้าเป็นรัชการก็อายุหกสิบนี่ก็ยังยังรุ่งอยู่นะเพราะว่า ขราชการหลายคนก็ชีวิตก็ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ น, นจนถึงกสบเป็นประหลาดกระวงเป็นอธชีปดีหลังจากนั้นก็ลงนะเพราะว่ากเกษียณนะบางคนก็ขึ้นก่อนขึ้นขึ้ น, นมากกว่านั้นแล้วก็แต่พอถึงเจ็ดสิบสก็ต้องลงนะ แต่ว่าการอยู่ในช่วงขาลงไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขน้อยลงนะไม่ได้แปลว่าเรามีความสุขน้อยลงเราจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้ข่าวดีก็คือว่าเขามีการพบว่าคนแก่เนี่ย ทั่วโลกนะมีความสุขมากว่าคนหนุ่มก็นเนี่ยมีการวิจัยหลายชิ้นเลยนะที่ฝรั่งทำแล้วเขาไม่ได้ทำเฉพาะประเทศเขาเนะี่ยเาทำสอบถามคนประมาณเจสิบกว่าประเทศทั้งโลกถามคนทุกวัยเลยตั้งแต่อายุสิบแปดจนถึงแปดสิบแล้วก็พบว่าความสุขของ คนทั้งโลกเนี่ยถ้าพูดตามไวันะมันจะมารูปตัวยูนะตัว u นะตัวยเป็นอย่างนะี้นะหรือตัววก็คือว่าอายุสิบแปดจะมีความสุขมากเราจะได้ความสุขก็ค่อยลดลงอายุมากขึ้นความสุขก็ลดลงลดลงลดลงและต่ําสุดตอนอายุสี่สิบกว่า เป็นช่วงวัยกลางคนแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่นะทั่วโลกเนี่ยจะทุกน้อยที่สุดคือตอนอายุสี่สิบหกนี่เฉลี่ยนะอายุสีสิบที่จะมีความทุกข์มากสุขน้อยแล้วจากส่ิกเนี่ยความสุขก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นจนถึงแปดสิบ เราเชื่อว่า80เนี่ยมีความสุขกว่า18นะนี่เป็นค่าเฉลีย่ยทั้งโลกนะไม่ใช่นึกเอาเดาเอาส80เนี่ยโดยเฉลีย่ยทั้งโลกเลยเนี่ยอายุเอามีความสุขมากกว่า18 18นี่สมมติความสุขเต็มมีเต็ม10ก็18ประมาณ 6.8 คนอยายุ18ก็จะมีความสุขโดยเฉลีย่ลย 6.8 แต่ว่าคนอายุ80เนี่ยมีความสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 7.2 คนแก่ทั้งโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีความสุขกว่าคนหนุ่ ม, ท, ม, มนนทั้งที่ขาลงทั้งที่เงินก็น้อยกว่ากำลังวองชาก็น้อยกว่า ยศ ร, รัพย์ตำแหน่งก็น้อยกว่ามันแปลว่าอะไรมันก็ความสุขในอยูที่เงินความสุขไมอยูที่กําลังวังชาความสุขไม่ได้อยู่ที่ยศ ถ, ถาบรรดาศักด์ความสุขที่ใจทําไมคนแก่มีความสุขมากกว่าคนหนุ่มมากกว่าคนวัยสี่สห้าสี สี่สเจ้าที่วัยสีห้าสีเป็นวัยที่กําลังรุ่งนะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือเขาเรียกเป็นช่วงพีคพีคก็คือช่วงที่สูงสุดในแง่ของอาชีพตําแหน่งจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะคนอายุ4ี่สิกว่าเนะี่ยเขามีเงินแล้วเป็นเจ้าคนในคนล้เป็นผู้จัดการเป็นอธิบดีจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอเมริกาก็ได้ไป อันเกิดได้ แ, แต่เขามีไปประมาณกับมีความทุกข์มากกว่าคนแก่อายุ 70-80 คราว น, นี้เนี่ยถามว่าทำไมคนอายุ80หรือคนแก่เนี่ยถึงมีความสุขมากกว่าทั้งที่ชีวิตขาลง เขาพบ ว, ว่าเป็นเพราะคนอายุ80หรือว่า70ขึ้นไปเนี่ยนะมีวุฒิภาวะผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมากการที่เราเนี่ยมีประสบการณ์มายาวนานนะมันเป็นทุนอย่างหนึ่งนะ ประสบการณ์ยาวนานเรา7จ8 0สิบปสิบปีเนี่ยมันเป็นทุนมันไม่ใช่แค่ว่าเราผ่านโลก ม, มาของเปล่าแต่ว่าเราได้ประสบการณ์เราได้ความรู้เราได้ทักษะสมัยก่อนเนี่ยคนแก่เนี่ยจะเป็นผู้ถายทอดความรู้ให้คนหนุ่มคนสาว แต่สมัยนี้เนี่ยความรู้ของคนแก่เนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแล้วในหลายเรื่องเราต้องเรียนจากคนหนุ่มคนสาวหรือต้องเรียนจากเด็กๆนะเช่ น, นจะใช้แท็บเล็ตเนี่ยจะใช้มือถือเนี่ยจะจะเล่นไลน์เนี่ยยมเล่นไลน์วะอ่านิจับไลน์นะจะใช้แท็บเล็ตเนี่ยต้องต้องถามหลานนะ หลานอายุสิบขวบเ่าวเล่นยังไงจะเล่นอินเทอร์เน็ตออนไลน์ Facebook เนี่ยจะใช้เ c e b o o k เนี่ยต้องถามหลานนะความรู้ในหัวของเราเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันล้าสมัยแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถจะให้คาแนะนำเรื่องการทอผ้าทำนาเลี้ยงควาย นะเราให้คำแนะนเรื่องการสารตบาระบุงตะบุงตะ ก, กา้าความรู้ยังมีความรู้อย่างนี้ยังมีในหัวเรานะพนะอทำอะไรทำอะไรคนยังมีความรู้พวกนี้อยู่แต่ลูกหลานไม่สนใจนะเพราะว่าลูกหลานอยู่ในเมืองไม่ได้เลี้ยงควายไม่ได้ทํานาไม่ได้คอผ้าไม่ได้สารตระบุงตะ ก, ก้าแล้ว หรือว่าเดี๋ยวนี้าก็ไม่เลี้ยงควายกันแล้วนะทำนาก็จริแต่ไม่เลี้ยงควายนะเขาใช้เครื่องวันนี้คนมุ่งก็เก่งกว่ามันมีความรู้ประสบการณ์หลายอย่างที่ล้าสมัยไปแล้วนะสำหรับคนสําหรับคนแก่สําหรับปัจจุบันแต่มันยังมียังบางอย่างที่ยังใช้ได้นะเพื่อประสบการณ์ชีวิต เรามีความรู้ในเรื่องวิชาชีวิตพอทําไทเท่าเนี่ยถึงแม้ว่าความรู้เรื่องธรรมะกินเรื่องการทํานาต่างๆนี่มันมันล้าสมัยไปแล้วหรือว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพาคนไม่ได้เรียนแล้วแต่วิชาชีนี่สําคัญมากการที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยมันทําให้ ผู้ท่าผู้แก่เนี่ยมีความสุขได้มากกว่าคนหนุ่มคนสาวเขาพราะว่าคนผู้ท่าผู้แก่หนึ่งทำใจได้มากกว่ามีเรื่องมางกระทบใจก็ปล่อยวางได้ง่ายเสียงดังก็กดกลั้นได้นะได้ข่าวว่า เพื่อนล้มหายใจจากไปก็ไม่เศร้าโศกพารู้ว่ามันเป็นธรรมดาบางทีรู้ว่าหลานป่วยก็ไม่ได้ทุกข์มากเพราะว่าเออมันก็ธรรมดาคนค น, คนแก่เนี่ยจะผิดหวังน้อยกว่าคนหมุ่คนสาวเพราะว่า เห็นว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตคนเราเยังไม่ได้สมหวังไปเสียหมดไมื่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนะหรือว่าเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กไม่ซื้อโทรศัพท์ให้บางทีเด็กโมโหนะน้อยใจบางคนนี่ค่าตัวตายก็มีเพราะว่าแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ คนหนุ่มคนสาวก็เป็นกันนะเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอประเทศจีนนะหนุ่มสาวสองคนเป็นแฟนกันไม่รู้เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าอยู่ในห้างสรรสินค้าผู้หญิงเนี่ยอยากให้อยากได้โทรศัพท์มือถือไอโฟน รู้จัก iPhone ใช่ไหมไอโฟนวัยรุ่นนี่อยากได้มากเลย p h o n e รุ่น6 iPhone 6สามีหรือแฟนไม่ซื้อให้แกก็โกรธนะผู้หญิงก็ตือ้อผู้ชายก็ไม่ซื้อให้ผู้หญิงโกรธมากเลยผิดหวัง ประ ท, วทร้วงทำยังไงรู้ไหมถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงในในห้างสรรพสินค้านะประท้วงหัวหรือประท้วงแฟนให้ผู้ชายก็ไม่สนใจนะทำทีไม่สนใจผู้หญิงก็เดินตาม ผู้ชายก็เดินหนีผู้หญิงเดินตามคนเนี่ยเห็นสงสารนะต้องหยิบเสื้อมาให้ผู้หญิงคนเนี้ยใสเตือนว่าพี่นี่มันที่สาธารณะนะมันไม่ใช่ที่โลหิตฐานนะโลหิตฐานไม่ว่าที่รับนะไม่ใช่ที่สาธารณะผิดหวังง่ายแค่ไม่ซื้อโทรศัพท์ไอ o n e แต่คนแก่เนี่ยนะเจอความผิดหวังเนี่ยทำใจได้ไม่ทุกข์เพราะว่าเจอมามากแล้วใช่ไหมไม่ทุกข์เนะพราะรู้ว่ามันธรรมดาแล้วนะคนเขาเขากว่าเนี่ยคนแก่มีความสุขมากคนศึกษาวคนหนึ่งทำใจได้ง่ายสองหหมีความอดกลั้น ปล่อยกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบสามปล่อยวางได้ง่ายประการที่สี่ก็คือว่าคนแจกเนี่ยรู้ว่าคว า, ความสุขได้ยอยีกที่วัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เงินจะน้อยนะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะรู้ว่าความสุขทีท่ไดยย้อีกที่ใจ ถ้าทำใจได้ก็มีความสุขหรือถ้ามองเป็นก็เห็นสุขคนแะ <c oughs> ก่มีความเคลื่อนยาน่น้อยนะเพารู้ว่ามันไม่ใช่ ที่มาของความสุขงแท้จริงเพราะเพราะว่าเหตุผลอุปการที่ทำให้คนแก่มีความสุขมากคือว่าไม่รอความสุขในอนาคตไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวเนี่รอความสุขจากอนาคตนะส่วนคนแก่เนี่ยรู้ว่าเวลาเหลือน้อยแลว้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันหาความสุขจากปัจจุบัน แล้วก็จะใช้วิธีการหาความสุขทางใจทำสิ่งที่มีคุณค่าติดใจเช่นอยู่กับครอบครัวทำบุญทำบุศสนหรือว่าคุยกับเพื่อนคนแก่เนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนไปร้านกาแฟคุยกันก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์ไม่ต้องไปไกลในเมืองนอกเนี่ยสำรัผู้มาทั้งหมดนี่นะ <c oughs> เพื่อเชื่อว่าโดยธรรมชาติของคนแก่แล้วเนี่ยหรือผู้สูงวัยนะี่นะมีความสุขมากกว่าคนหนุ่มคนสาวอันนี้มันมีเป็นความรู้สึกของคนแก่ทั่วโลกอันนี้ลองถามตัวเราเองนะ ว่าแล้วเราล่ะเรามีความสุขมากกว่าตอนหนุ่มตอนสาวหรือเปล่าถามตัวเสักหน่อยนะถ้าเกิดว่าเรามีความสุขมากกว่าอันนี้แสดงว่าเรารู้จักการทำใจเราก็ไม่ใจจะคนแก่ทั่วโลกนะ มีความสุขมากกว่าแต่ถ้าเรามีความมีความสุขน้อยกว่าตอนหนุ่มตอนสาวนี่นะต้องถามตัวเองแล้วว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเราอดกั้นน้อยลงไหม เป็นพ่อเราทําใจได้ยากขึ้นหรือเปล่าเป็นพ่อเราปล่อยวางไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าอันเนี้ยพูดถึงธรรมชาติของคนชราคนสูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความสามารถในการปล่อยวางได้มากขึ้นทําใจได้มากขึ้นอดกลั้นได้มากขึ้น ถึงแม่ร่างกายสังขารจะไม่ดีเหนก่อนถึงแม้เงินทองจะน้อยลงร่ำหรอแต่ข้างในเนี่ยมีความสุขกว่าเนี้จะมาพบว่ามีคนแก่หลายคนนะพรรนาคนแกห่หลายคนที่ตะวพบนะถามว่าทำไมมีความสุขน้อยกว่า เพราะวันหนึ่งเนี่ยมีความห่วงกังวลไม่ได้ห่วงกังวลตัวเองนะห่วงกังวลลูกหลานมีลูกบางคนเนี่ยพาแม่มาที่วัดแล้วลูกก็บอกอาตมาว่าช่วยบอกแม่หน่อยว่าให้ห่วงกังวลลูกน้อยๆลงเพราแม่ที่ห่วงลูกแล้วก็ลูกนี่อายุสี่สิบแล้วนะไม่ใช่แค่ไมสิบห้าลูกสี่สิบแล้ว แม่ก็จะสิบกว่าแล้วแล้วเป็นอย่างนี้เยอะนะบางคนเนี่ยไม่ได้หวงลูกนะ้วบางคนห่วงหลานมีมีคุณแม่คนนึงนะอายุก็ไม่มากนะไม่ใช่คไชคุณแม่คุณยายอายุหกสิบรักหลานมากห่วงหลานมาก ห, หลานอายุหาาขวบ แล้ววันหนึ่งรู้ว่าแม่ของเด็กเนี่ยจะพาหลานจะพาลูกเนี่ยไปประเทศนิวซีแลนด์ยายทุกข์มากเลยนะยายรับหลานมากหลานฉลาดหลานช่างพูดยายก็รู้นะว่าลูกเนี่ยและหลานเนี่ยไปดีต่างประเทศแต่ยายก็ห่วงมีความทุกข์ อัตมาก็เลยพูดกับยายนะซึ่งอายุก็ไม่ได้ต่างกับอัตมาเท่าไหร่นะบอกว่าต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ใหญ่เนี่ยเมื่อมันมีนมลูกนะแล้วลูกมันเนี่ยตกลงมากลายเป็นต้นไม้น้อยๆเนี่ยถ้าต้นไม้น้อยๆเนี่ยมันอยู่ในร่มเงาของไม้ใหญ่นะ มันจะโตได้ไม่ค่อยมากต้นไม้เล็กๆ เ, เนี่ยนะต้นกล้าเนี่ยที่มันอยู่ในร่มย้อร่มเงาของไม้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเติบโตอ่ะเพราะเรื่องมันหงำไม้ไม้น้อยเนี่ยนะมันต้องไกลออกไปจากร่มเงาของของแม่มันต้องเจอแดดต้องเจอฝน มันถึงจะโตแล้วก็จะโตโตเอาโตเอาบางทีโตสูงกว่าต้นแม่อีกถ้าต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในร่มเงาของแม่มันนะมันจะไม่โตเท่าไหร่ถึงแม่จะสบายมีร่มเงาไม่เจอแดดไม่เจอพายุสบายแต่ไม่ค่อยโตมันต้องออกไปจากร่มเงาของแม่ จเจอแดดเจอฝนเจอพายุแล้วมันจะโตเอาโตเอาโตเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกบอกยายว่าเนี่ยนะให้ปล่อยให้หลานไปเถอะเพราะหลานเขาจะได้จะได้โตนั่นคือเมื่อสองปีที่แล้วนะเมื่อวานนี้คุณยายไหมมาหาตมาเอาสังฆทานมาถวาย แล้วบอกตอนนี้เนี่ยหลานนี่นา่ารักมากเลยหลานนี่โตหลานนี้เจ็ดขวบแล้วเด็กฉลาดหลานนี่จะทุ่มตัวเองได้ครูก็ชมแม่ก็เลี้ยงลูกสบายใจคุณยายก็มาขอบคุณนัตมาว่าเนี่ยว่าขอบคุณที่ช่วยแนะนําขอบคุณที่ช่วยแนะนําให้ให้เธอได้ปล่อยวางหลานให้หลานเนี่ยได้ได้ไปเติบโต ตามวิธีทางของเขาไม่ใช่อยู่ในโลกเงาของเรานะมาขอบคุณว่าทำให้เธอทำให้ยายเนี่ยปล่อยวางได้เห็นว่าปล่อยวางเนก็เห็นว่าหลานไปดีแล้วนะพวกเราเนี่ยนะที่อายุมาถึงปูนนี้นะถ้าเรายังห่วงลูกห่วงหลานนี่ เราก็หาความสุขได้า ย, ยากนะถึงเวลาจะป่วยเนี่ยบีมันไ ม, มน่มันทรมานนะเพราะว่าหวกหลานและบางอย่างก็มันไม่น่าเชื่อนะอาตมาจะเล่าให้ฟังนะอาม่าคนหนึ่งเนี่ยแกรับหลานมากลหลานอายุสีขวบเวลาหลานกินข้าวเนี่ยนะ อาม่าจะมาจ้างพี่จ้างชายหลานใหกนนน้กินน้่นกินนี่กลัวหลานขอมหลานเนี่ยก็มีเด็กมีที่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วแต่อาม่าเนี่ยก็ยังไม่วางใจมาจ้างพี่จ้างชายหลานทุกมือ้อหลานกลาานนะ็ลังคาแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาม่าป่วยหนะักเข้าโรงพยาบาลก็จะเจอเส้นเลือด น, นะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจะโคมา่าด้วย สองวันหลังจากที่อามาเนี่ยเข้าดงเมเบบาเนี่ยขณะที่ครอบครัวของหลานเนี่ยกำลังกินข้าวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกลวกคือหลานอาม่ากำลังกินข้าวอยนโต๊ะนะ จ, จู่ๆหลานก็พูดขึ้นมาว่าอาม่าพอแล้วหนูไม่กินแล้วอิ่มแล้วบ น, บนโต้นยังงเลยนะบนโต้นมีแค่สามคนน่ะพ่อแม่แล้วก็ลูกอะอาม่ามาจากไหน เด็กเห็นอา마นะอา마เนี่ยมาจำที่จำชัยเด็กเนี่ยบนโต๊ะอาหารเลยตัวอาาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะแต่ใจเนี่ยนะมาหาหลานนะเชื่อไหมแปลกเยนะนี่แสดงว่าอา마นี่ห่วงหลานมากเลยแล้วอา마นี่ไม่มีความสุขแบบนี้ถ้าตายนะ่ ก็ไปไม่ดีนะะอจฤาษีมาก้วนเปร้ยอยู่ในแถวนั้นอาจะมาเจอมาเยอะเราให้คนที่คนที่ป่วยเนี่ยตัวอยู่โรงพยาบาลนั่งแต่ใจไปไปหาคนที่รู้จักนะแล้วเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเท่าคนแก่เนี่ยนะมาว่าต้องพยายามปล่อยวาง น, นะลูกหลานให้น้อยให้ให้มากขึ้ น, นต้องถือว่าเขาเนี่ยก็มีวิธีทางของเขาการที่เราไปห่วงกังวลเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สบายใจนะเขาลำคาญและเราซึ่งเป็นคนคนห่วงเราก็ทุกข์ ไม่มีความสุขนะประสบการณ์ช่วยตน่าจะบอกเรานะว่าคนเราเนี่ยจะเข้มแข็งแกล้าหาญเนี่ยต้องเจอความยากลำบากเราหวงลูกเพาอะไรเราหวงลูกเพาเราหวงลูกลาบากเราห่วงหลานเท่าะอะไรเราห่วงหลานลำบากแต่เรารู้หรือเปล่าที่จริงเรารู้แล้วประสบการณ์บอกเราว่าความลำบากเนี่ยมันทำให้เข้มแข็งลูกไปเจอความลบากมันดี ร้านนี่ไปเจอความลำบากบ้างอันเนี้ยเขาจะเข้มแข็งก็พ ว, วงก็าทำไมใช่ไหมประสบการณ์ของเราเนี่ยเราเองก็ลําบากแล้วเราก็เข้มแข็งเราลําบากแค่ไหนล้วก็ฟันฝ่ามาจนพาตัวมาถึงทุกวันนี้ได้ลูกเราร้านเราก็เหมือนกันนะความลำบากเนี้ยมันทําให้คนแกรง่งความสบาย ทำให้คนอ่อนแอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปห่วงลูกหลานว่าเขาตะลําบากความลาบากจะสอนเขาเ้าสอนความลาบากสอนเขาได้ดีกว่าเราสอนซะอีกทำให้เขาพึ่งตัวเองได้ถึงเวลาเราไม่อยู่เขาก็ช่วยตัวเองได้ ความทุกข์ของคนแก่ปีการที่สองนะอย่างนี้มีมากขึ้นนะโดวยว่าคนแก่ในเมืองคือความโกรธความโกรธลูกเนี่ยหลายคนเราอกเนี่ยแม่นี้ยิ่งแก่ยิ่งโกรธพ่อนี้ยิ่งแก่ยิ่งยิ่งอารมณ์เสียอันนี้มันสวนทางกับกระแสโลกนะ คนแก่ส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งใจเย็นเพราะปล่อยวางได้เพราะอดกลั้นได้มากขึ้นเพราะทำใจได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนแก่คนไหนเนยยิ่งแก่ยิ่งอารมณ์เสียง่ายยิ่งหงุดหงิดยิ่งโวยวายเนี่ยแสดง ว, ว่าผิดปกติแล้วนะแสดง ว, ว่าไม่เอาประสบการณ์ชีวิตนี่มาสอนใจเลยกายเป็นคนเอาแต่ใจตัว ประสบการณ์มันสอนให้เราเนี่ยเห็นว่าอะไรๆมันก็ธรรมดาอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะเรามองเรามองให้เป็นธรรมดาให้มากขึ้นแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัว เพราะว่าถ้าเราหลุดง่ายเราโปวดง่ายนะั้นมันก็ไม่ดีๆไม่ดีกับเราเลยจะทำให้เราตายเร็วมากขึ้นวันดีคืนนีก็เส้อเลือในสมองแตกเพราะว่าความโปรดเนะี่ยมันจะทให้ความดันขึ้นพอความดันขึ้นก็เส้นเลือสองแตกพอแตกก็เป็นไงเอามาพึกงเอมามพาด บางคนเนี่ยทำใจไม่ได้นะความเราาื่อผายิ่งยิ่งหนีเข้าไปใหญ่ขยับเตียงตะโกนโวยวายยิ่งทำให้ลูกหลานหรือว่าคนดูแลเขาละอาเขาก็ยิ่งไม่อยากเกี่ยวข้องกับเราความโกรธเนี่ยไม่ได้ดีกับเราเลยนะ ความหุนหินเนี่ยไม่ดีกับเราเลยแต่ทำไมลองหุนหิดทำไมเราโกรธก็เราปล่อยวางไม่ได้เสียงดังก็รำคาญนะอาหารไม่ถูกปากก็หุนหินะบางทีลูกไม่มาไม่มาเยี่ยมก็โมโห แต่มาว่าเราได้เอาประสบการณ์ชีวของเรานะมาสอนใจเราว่าจะให้ทุกอย่างมันถูกใจเราเนี่ยมันไม่มีหรอกจะให้สมหวังทุกเรื่องทุกอย่า ง, เ, งเนี่ยมันไม่มีหรอกความไม่สมหวังเกิดขึ้นแต่ว่าทำใจได้ก็ไม่เป็นทุกข์ เสียงดังถ้าหากว่าเราไม่ไปสนใจเสียงมันก็ไม่ทุกมีเรื่องเล่านะโยมหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาสุขทโทอธิเจ้าว่านองประกง คาวนึ่ได้นิมนไปเท่ที่ประเทศอังกฤษก็มีพระฝลังไปด้วยเช่นอาจารย์สุภัยโทตอนนั้นยังไม่มีวัดป่าในอังกฤษพระก็ต้องไปทำนักอยู่ในเมืองกลางกรุงลอนดอนเวลาเย็นก็มีการทำวัดตรวจมนมีการแสดงธรรมมีการนั่งสมาธิ แต่บางเอินตรงข้ามตรงข้ามวิหารเนี่ยที่หลวงพ่อชาบพักเนี่ยมันเป็นมันเป็นถับปลามันเป็นบลามันเป็นในขับมีการเล่นบนตรีส่งเสียงดังช่วงเวลาเจอกันกับที่หลวงพ่อกำลังพาทาสมาธิหลายคนนั่งสมาธิก็มึนหงพดกะเสียง มันมารบกวนแต่หลวงพ่อชาเนี่ยนั่งสมาธิสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณสี่สินาทีก็นั่งสมาธิเสร็จก็มีเจ้าภาพเนี่ยเป็นฝรั่งนะนะก็มาหาหลวงพ่อชาบอกขอโทษครับขอโทษที่มีเสียงมารบกวนหลวงพ่อชาตอบไปยังไหงหลวงพ่ชาว่า โยมไปชื่อว่าเสียงรบกวนเราที่จริงเราอารบกวนเสียงต่างหากเข้าใจไหมที่เราทุกข์เพาเราก็รบกวนเสียงไปทะเลาะกับเสียงนั้นอะเวลาเสียงดังเนี่ยสังเกตดนใจเราไหมเราไปทะเลาะกับเสียงนั้นเสียงมันมาจากไหนว่าเมื่อไรมันจะเงียบสักทีเนี่ยเสียงคุยกันอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงโทรศัพท์เนี่ยนะ มันดังก็ดังไปถ้าโยมไม่ไปทําใจกับรอบรเสียงนะโยมก็ฟังอัตมาได้ยอย่างมีความสุขนะนี่เวลาเวลาโยมหมุนหินนะเสียงดังนะอย่าไปว่าเสียงนะว่ามารบกวนเราเนี่ยเป็นเพราะใจเราต่งางไปไปรบกวนเสียงนั้นนะมีคลาหนึ่งนะหลวงปู่บุญดาไปฉันเทน ท่านเดินทางจากสิงบุปรีนี่นะมาฉันเพนี่กรุงเทพอ่ะฉันเสร็จก็จะกลับว่ดโยงก็บอกว่าขออนิมทนท่านพักก่อนเพราะทันชลาแล้วตอนนั้นทก็80ดสิบแเหตการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อห0ปีที่แล้วจดท่องให้ท่านพักลูกศิษย์ลูกหา ก, ก, ก็มานั่งคุยนั่งนั่เป็นเพื่อน เวลาคุยกันเวลาคุยกันก็กระซิบกระซากลัวจะรบกวนหลวงปู่บุญดาแต่บังเอิญในห้องที่ติดกันนะ่ะมันเป็นห้องมันเป็นร้านชำร้านโชว์วยเจ้าของเป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็สูบเกียนาโยมกเกยหมือกับเกี๊ยมะ เคยใส่ไหมเคยสวมในตอนเราเคยเกี nah e, ้ยยเวลามันเป็เกี้ยไม้เวลาเดินเนี่ยมันดังอาเซนนี่ก็เดินขึ้นเดินลงเสียงก็ดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่บุดาเองหลังอยู่รูกสึกก็ไม่พอใจอยู่พี่พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจําให้เกรงใจกันเลยหลวงปู่บุดานี่ท่าน หลับพกักจริงแต่ทําไม่ได้นอนหลับนะท่านได้ยินตั้งแต่เปิดขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกีย้ยของเองเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาเพราะเราหูไปลองเกี้ยงั้นท่าเราไม่หูไปลองเกีย้ยเราไม่ลาําพางถ้าเราไม่ไปทรุรบเสียงเนี่ยเราไม่ทุก เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะ เ, เมื่อเรามาถึงคูนนี้แล้วนะก็พยายาฝึกนฝะึกใจจะไปทะเลาะกับเสียงฝึกใจอย่าไปฝึกหูไม่ให้ไปลองเกี้ยนะหรือว่าสมัยที่ไม่มีเกีย้ยละแต่จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสียงคอนคอนทุกประตูทุกตะปู ๋ย่าหูไปลองค้อนนะเวลาเจอความผิดหลังไม่สมหลังก็ช่างมันนะช่างมันเนี่ยเป็นคาถาที่ดีมากลูกหลานทำอะไรไม่ถูกใจก็ช่างมันบ้างนะอย่าโกรธเพราะโกรธนี่เราเราทุกเองนะแต่เมื่อยรก็ตาที่โกรธนะต้องอย่าให้อภัยนะ มีมีตะมาเจอแม่เพื่อหลายคนนะเวลาเวลาไปคุยนะก็จะคุยเรื่องเดิมคุยเรื่องสามีที่ทำตัวไม่ดีเช่นโกงโกงเงินไอ ก, การผ่านไปส0สิปีส0สิบปีนะก็ยังมาเล่านะเล่าเรื่องเดียวซ้าไปซ้ำมาเรื่องว่า แค้นที่สามีโกงเแค้นที่สามีมีเินน้อยคุณแม่พูดไปก็โกรธไปแล้วก็คุยเรื่องนี้ทุกครั้งี่จะมาไปหาก็คุยแต่เรื่องนี้แหละแสดงว่ายังโกรธอยู่30ปี40ปีแล้วนะอย่างนี้นอนไม่หลับฝันไม่ค่อยดีแวแล้วก็ไม่มีความสุข ต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยเขาผู้เจ้าบอกว่าผู้ภาาความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะถ้าเราอยู่ไม่สุขนะส่วนเพราะเราโกรธภรรยาเนี่ยโกรธสามีนี่อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากสามีไปมีชู้สามีไป โกงเงินไปให้เงียน้อยผ่านไปสามสิบปีแล้วก็ยังไม่เลิกอันนี้เป็นการทำร้ายตัวเองนะไม่ได้รักตัวเองเลยคนที่รักตัวเองเนี่ยขาไม่ไม่เก็บความโกรธเอาไว้เขามีแต่จะให้อภัยเพราะว่าความโกรธจะเผาเขาใจตัวเองอัตมาประทัดใจอิคนหนึ่งนั่นอฟริกานะ อเมริกาเนี่ยมันมีกระบวนการฆ่าช้างเพื่อเอางาตอนนี้ยมทราบใช่ไหมว่าเขาห้ามห้ามห้ามมีห้ามา ม, ามีงาช้างในครอครองในเมืองไทยนะมีต้องไปแจ้งตอนนี้เขหยุดเขหยุดเขเลิกแจ้งไปแล้วเขหมดเขตการแจ้งนะใครมีงาช้างเนี่ยนะอฟริกาเนี่ยติดคุกได้นะถูกปรับก็ได้เพราะมันมีกระบวนการไปฆ่าช้างเอางาเนี่ย เป็นกบวนการใหญ่มากมันใหญ่ระดับมาเฟียเลยผู้เกี่ยกันร้าก็ฆ่าช้างออกงานเพื่อได้มีเงินไปเสือ้ออวุมีพี่คนนึงเนี่ยถูกถูกคนในกรบวนการเนี่ยทำรา้ายพารมาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมียหรือเป็นเป็นคนในครอบครัวของทหารที่คอยปราบปรามผู้กรบวนการฆ่าช้างผู้หญิงคนีน้ถูกตัดตัดหู สองข้างนะถูกตัดจมูกนะถูกเฉือนลิ้นสีปากนะทรมานมากนะต้องผ่าทักเจ็ดครั้งแกแช้นมากเลยนะแต่ตอนหลังนี่แกให้อภัยไอย้บอาเนี่ยทำไมต้งให้อภัยเพราะว่า มันจะทำให้เธอสามารถมีชีวิตต่อไปได้ง่ายขึ้นเธอพวกนี้นะการแห้ไข่เนี่ยมันทำให้เธอมีชีวิตต่อไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเธอโกรนเนี่ยนะเธอจะอยู่ยากเหมือนตกอกนรกอ่าพวกเราหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะันไม่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชาย บางคนโกรธพ่อบางคนโกรธหัวบางคนโกรธเมียบางคนโกรธลูกโดยใหญ่โกรธคนใกล้มันถึงครั้งมันจติดครั้งคาใจได้นานต้องปล่อยวางนะให้อภัยนะเรามีชื่อมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยต้องรู้จกักหาความสงบเย็นให้กับ จ, จิตใจบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ จ, จิตใจร้อนรุ่นด้วยความโกรธ ให้เราเนี่ยเหมือนสมกับที่เป็นผู้ชรานะั้นก็คือว่ายิ่งอายุมากยิ่งมีความสุขยิ่งสงบเย็นเพราะเราอยากปล่อยวางถึงแม้ว่าสังขารเนี่ยมันจะไม่อาดนวยแต่ใจเราเนี่ยนะสงบข้อที่สานะที่พักเกิด เ, นะเกิดเป็นคนชราเนี่่เกี่ยวกัู้อแล้วนะความบ่วงกังวลความโปรดข้อที่สาเนี่ย คืออะไรความหวงแหนหวงแหนทซัพนะหวงแหนซัพมากนะมีทรัพนี่ก็ยิ่งทรัพ์ตอนนี้ก็มีแต่รายจ่ายไม่มีไรายได้ก็ยิ่งหวงเข้าไปใหญ่บางคนทำการค้ามาดู ย, ยางดู ย, ยางประหยะัดถึงเวลาป่วย มีค่าสาธารณบาลมากก็เสียดายไม่อยากให้ลูกเนี่ยเสียเงินมากๆเพื่อตัวเองมีคุณแม่คนนึงนะเอาจะบ่นลูกนะไม่ใช่ลูกไม่ริบไม่ดูแลนะลูกดูแลแต่แม่ป่วยเนี่ยลูกก็ไปจ้างคนมาลูกไปจ้างคนมาดูแลแม่ส่าี้จ้างคนยากนะ ต้องจ้างเนี่ยก็เป็นหมื่นนะกว่าละสามร้อยหรือบางทีก็สี่ร้อยแม่พอรู้แม่พอรู้ว่าจ้างเท่าไหร่ที่แม่ทุกเลยนนะแม่กูกใจที่ลูกเนี่ยเสียเงินมากๆไปจ้างคนมาดูแลแม่ทั้งที่บ้านนี้รวยนะแต่ว่าคงคุ้นกับค่างเงินสมัยก่อนที่มัน ที่มันก๋วเตยชามาสองบาทเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสามสิสีสิบปีที่แล้วเงินเดือนสามพั น, 3, นก็ถือว่าเยอะแล้วพอมารูกมาลูกเนี่ยจ้างคนงานเป็นหมื่นนะมาดูแลแม่แม่ไ ม, ม่สบายใจแม่โนถามว่าบวชแล้วมีความสุขไหมไม่มีความสุขแล้วเงินหมื่นเนี่ย มันมากตรงนั้นก็ไม่ได้มากนะแต่เมืเ่อเราหงแหงเงินเพรเราไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเงินไว้เพื่อใช้ใช่ไหมฮะเงินไว้เพื่อใช้ใช้ยึดตัวให้มีความสุขแล้วก็ใช้เลี้ยงลูกหลานที่มีความสุขเงินไม่ได้มีไว้เก็บแต่แม่เนี่ยนะพอรู้ว่าเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อแต่ละเดือนแเดือน เ, เ, เ, เนี่ยแม่รู้ใจหวงหวงเงิน ทางที่ตัวเองก็มีเงินเยอะแยะไปหมดในสำนสักงานะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะแกรวยมากนะแต่แกไม่ค่อยใช้เลยแกกินข้าวหักเสื่อผ้าก็ปุบป่าแล้วแกก็ขี้เหนียวแกไม่ให้ใครเลยตัวเองก็ไม่ตัวเองก็ไม่ใช้แล้วก็ไม่ให้ใครไม่ประมุงศาสนามีความสุขการเก็บ มีความสุขกับการนับทรัพย์สมบัติพอตายนะั้นสมบัตินี่ตกเป็นของหลวงเลยทางทีสมบัติตกเป็นของหลวงทางทีเลยนะผู้เจ้าได้ข่าวนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเศรษฐีนี่เป็นคนโง่เป็นคนพานมีทรัพย์ไม่รู้จักใช้ให้มีความสุขเพือศาสนาี่ไม่ได้สะสมความยากลำบาก ท่าบอกว่าเนี่ยเราต้องเป็นนายทรัพย์ไม่ใช่ให้ซัพย์เป็นนายเราเมื่อใดก็ตามที่เราวงแหงเงินทองเนี่ยต้องระวังเพราว่าเรากําลังจะให้ซัพย์เป็นนายเราเราทําให้เงินเป็นนายเราเราไม่ใช่เป็นนายของเงินคนเดนี้เนี่ยยอมตายเพื่อเงินอันนี้แสดงว่าเป็นท่านเงินมีโจรมากร้นเอาเงินกระเป๋าเงินมาเอาเงินมาหลายคนเสียใจเงินยอมรักษาเงิน ไม่อยากให้โจรเอาเงินไปก็เลยต่อสู้กับโจรถูกแทงตายถูกฆ่าตายอันนี้เราตายเพื่อเงินก็แสดงว่าเราเป็นทาสของเงินเราต้องเป็นายเงนินไม่ใช่เงินเป็นนายเราเพราะฉะนั้นในถ้าอะไรต้องใช้จ่ายอะไรก็อย่าไปเสียดายนะถ้าจะเสียดายก็เสียดายความฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเรื่องที่ไม่จําเป็นวันนี้แม่คนนี้เนี่ยขอแก้กุ้มใจนะ แกก็ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยไปจ้างแกก็บอกว่าลูกเนี่ยมาดูแลแม่แทนได้ไหมลูกจะดูแลแม่ได้ไงเพราะลูกก็ทํางานพอลูกไม่มาดูแลแม่แกก็โกรธพอเพอลูกไม่มาดูแลแม่แม่ก็โกรธลูกบ่นว่าลูกครอบครัวนี้เลยไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขเพราะว่า แม่อาจะบ่นลูกบ่นว่าใช้ใจ่ายเงินมากเกินไปในการจ้างคนมาดูแลลูกแม่แล้วก็บ่นลูกว่าทำไมลูกไม่มาดูแลแม่บ่อยๆทุกวันทุกวันเครียดบางคนนะเป็นอัลไซเมอร์นะลืมหมดนะลืมชื่อลูกลืมชื่อหลาน แต่ว่าทุกวันเนี่ยจะเอาสมุดบัญชีทรัพย์สินมาดูมีความสุขนะเอาสมุดบัญชีว่าใครเป็นนี่ฉันเท่าไหร่ฉันมีเงินเท่าไหร่ความจําไม่จําจําเรื่องลูกเรื่องหลานไม่ได้นะทาํารมะไม่สนใจนะสนใจแต่บัญชีเงินทรัพย์สินที่มีอยู่อันนี้น่าเสียดายและน่าสงสารนะเพราะว่าใกล้จะตายแล้วเนี่ยควรจะเปิดใจแล้ทำธรรมะมา ก, มา ก, มาก จะได้จะได้ใจสงบคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงเพราความสงบนะมันไม่คุ้มค่ า, าการเกิดมานะมีเงินจ่ายใจไม่สงบเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะเกิดมาทั้งทีเนี่ยต้องเจอกับความสงบของใจเพราะว่าพระเจ้าว่าสุขอื่นเนี่ยความสงบไม่มีแต่ว่าเงินเนี่ยถ้ามันไปยี่ครามจิตใจเรานะมันไม่มันมันปิดปิดหูปิดตาเรานะไม่สนใจธรรมะ เนี่อาเป็นอัลไซเมอร์นะลืมหมดเลยนะแต่ที่ไม่ลืมก็คือว่าทรัพย์สินมีเท่าไหร่อันนี้จะตายไปนะจะกลายเป็นจะกลายเป็นผีเข้าทรัพย์ในสารพฤติการนะมีผ้านุ่มหนึ่งนะท่านได้จีวรใหม่มาใช่ไหมก่อนจีวรเป็นของหายยากผ้าต้องไปเก็บเอาจากศพไปเก็บเอามาจากขยา แต่ว่ารูปนี้เนี่ยเรื่องโชคดีนะที่สาวมาถวายเอาผ้ามาถวายเป็นภาาประนีก็ดีใจแต่ไม่ทันจะใช้นะไม่ทันจะพวมนะก็มรณะาพากับทันหัจิตเนี่ยของท่านเนี่ยก่อนตายถ้าไปถ้าไปเปนึกสินจีวรด้วยความหวงด้วยความเสียดายพอตายนะ ไปเกิดเป็นอะไรทราบไหมฮ ะ, ะเป็นเลนอยู่ในจีวอไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะไปเป็นเลนอยู่ในจีวอเพราะว่าหว่วจีวอมากก็เลยได้อยู่ใกล้จีวอนสมใจนะเป็นเลนที่ดีไหมเกิดาเป็นมนุษย์รับลดชั้นมาเป็นเลน่ะเลนนะนมันลดชั้นมากเลยนะเพราะอะไรหวงหวงเสียดายจีวอ ดั้คนคนเราเนี่ยถ้าเราหวงทรัพย์นะทุกวันทุกวั น, วนคิดแต่เรื่องทรัพย์สิิงเงินทองนะกลัวลูกจะเอาไปกลัวคนจะขโมยไปนะถึงเวลาตายนะไม่ได้ไปดีนะก็จะวนเนวียนอยู่กับทนระัพย์นี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นบันมีศัพท์ว่าปู่สมเข้าทรัพย์นะก็คือควที่เวลามีทรัพย์สมบัติมาแล้วหวงแขนเอาไว้ มีคุณยายคนหนึ่งนะมีคุณยายคนหนึ่งจะมาไม่รู้จักหลอกาแต่มาไปเยี่ยมก่อนไปเยี่ยมเนี่ยหมอก็บอกว่าอย่างคุณยายคนนี้เนี่ยแกอาการหักแล้วหมอเนี่ยก็ไปพูดสุดท้าว่านําทางชวนให้ยายเนี่ยปล่อยวาง ปล่อยวางเรื่องลูกปล่อยวางเรื่องหลานพอพูดเรื่องปล่อยวางเรื่องซัย์นะแกหน้าเนี้คือขอโมยเลยนะแกหน้าเนี้คือขอโมยเลยคือแกผุนซับมากแกไม่ยอมปล่อยวัวงรุ่งขึ้นมาก็ไปไปจะไปเยี่ยม ทางปจิตอาส า, ศาไปเยี่ยมคนป่วยก่อนที่ไปเยี่ยมเนี่ยหมอก็มารายงานว่าเมื่อเช้านี่เองมีเพื่อนบ้านรีบพิมพ์มามาหาคุณยายจะบอกว่าคุณยายไปทวมเงินแกยืมเงินไว้หลายปีแล้วไม่ยอมคืนคุณยายไปทวมเงินคุณยายหนู อ, อยู่โรงพยาบาล น, นะแล้วไปทวงเงินได้ไ ง, ใ จ, ไงใจมันไปทวงใจมันห่วงเงินอาไว้ ยืมเงินกูไปหลายฟีแล้วไม่คืนสักทีจะตายแล้วนะคิดถึงเรื่องนี่สิทธิ์นี่ิดเนี่ยมันกิตเนี่ยมันนึกถึงเงินมากงไปเลยนะเพื่อนบางคนเนี่ยเห็นคุณยายมากลางวันแสกแสงนะนึกว่าผีแต่พอรูวยังไม่ตายแกก็รีบมาโรงพยาบาลมาบอกคุณยายว่าจะคืนเงินให้ เกรงกลัวว่าถ้าถ้าไม่ไม่มาบอกยายไป ย, ยายจะไปหลอดแก่ตัว อ, อยู่โรงพยบาบาลนะแต่ใจเนี่ไปแล้วเรื่างนี้คิดว่าถ้าตายเนี่ยตายดีนะเนี่ยนะคงตายไม่ดีหรอกเพราะว่าคงไปไม่ดีไปไม่ดีคือว่าก็คงจะไม่ได้ไปสวรรดีนะก็คงจะปวดเวียนคนเดินอยู่กับซ้ำเนี่ย ไม่ต้องระวังนะโยมความหวงแทนเนี่ยมันทำให้ทุกข์นะปล่อยวางซะบ้างนะหรือว่าก็คิดว่าซับนี่มีไว้เพื่อใช้ไม่ใช่มีไว้เพื่อเอาไว้นับรับไม่ได้อยู่ไว้เก็บมีไว้ใช้ แล้วขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่ามันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่เค่เป็นของเราเลยถึงเวลาตายล้วก็ไปไม่ได้สักแดงเดียวเงินทองไม่ใช่ของเรานะมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเรานะโยม เราเป็นของมันทันทีเลยทันทีที่เราไปยืมมันเป็นของเรานะเราเป็นของมันเรายอมตายเพื่อมันได้จนมาข่นเอาเงินเสียดายมันก็เลยสู้ขัดขืนถูกจนยิงตายนี่เรียกว่าตายเพื่อมันไฟไหม้บ้านนั่นมีโฉนดมีทีทองมีเพชรอยู่ในบ้านเสียดาย ัวมันจะสูญสลายทำยังไงวิ่งเข้าไปในกองเพิงเพื่อไปเอามาหลอกมาบอกเว่าติดอยู่ในกองเพลิงตายนี่รดตายเพื่อมันตายข้อมันตายเพื่อมันก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราเป็นของมันโยมต้องระวังนะว่าทุกวันนี้ไอ้ไที่มีเนี่ย มันเป็นของเรารือเราเป็นของมันถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ว่ามันเป็นของเรานะเราเป็นของมันบันทีนะพยายามนะปล่อยวางซะบ้างนะใช้มันอย่างผู้ชลาดนะไม่ต้องหวงแหนมันนะแต่ถ้าเก็บให้ลูกหลานก็ก็สมควรเก็บ เราใช้เท่าที่ใช้เมื่อจำเป็นนอกจากความหวงแหาและความโลภนะความรวมนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันก็เป็นศัตรูที่ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันบางคนไม่ได้โลภทรัพย์นะแต่โลภความสุขแบบโลกโลก อยากเที่ยวอยากอยากเที่ยวอยากชิมมีคนปู่คุณนี97นะ่97แล้วนะ97แล้วนะหูดีฟันก็ยังใช้ได้แกแต่เป็นคนโชคดีมากนะอินเล่าสูบบุรีทั้งชีวิตเลยนะอายุ97นะและแามเรื่การพันนันจงรวย แกเป็นเล่นกัรมนานะเล่นจนกระทั่งอายุแปดสิแปดสิบแล้วยังเล่นอยู่นะโดนเขาโกงโดนเขาโกงก็ไม่เป็นไรปล่อยได้เล่นเพราะว่าวันไหนไม่ได้เล่นเนี่ยนอนเป็นหลับแปดสิบแล้วโดนเข้าไปเล่นเล่นในบอลแต่ตอนโดนโกงมากๆเขาเพราะว่าโดนตาข้าศฟางเทคเเรียก ว, ว่าไม่ทันไม่ทันไอ้พวกเจ้ามือรุ่นใหม่ แล้วตอนก็ยนานยต้องมาต้องมาอยู่บ้านทุกวันเนี่ยแกอยู่บ้านไม่ติดนะแกต้องให้เมียเนี่ยขับรถพาไปเที่ยวพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆเมียกอายุห่างแกในสี่สิบปีแกยายสิบแกมีเมียอายุ 60, ายี่สิบพอแกอายุ90้าสิเนี่ยเมีอยอยู่ไม่ไหวเพราะว่า แกไม่เคยอยู่บ้านติดสักวันเลยจะต้องให้เมียพาไปเที่ยวพาไปกินแล้วก็ยังมีความมากๆในการคอยร่วมคอยคอยควักแหลกต่างเนี่ยเมียก็หนีไปจ้างร้านก็ไปจ้างคนมาดูแลคนก็ดูแลไม่ไหวเพราะว่าแกคอยร่วมระเบิดผู้หญิงที่มาดูแลห้านที่ต้องดูแล แล้หลานทุกมากเพราะว่าแกรบล้อให้หลานเนี่ยพาไปเที่ยวพาขับรถทุกวันพาไปกินแกไม่สามารถจะอยู่บ้านติดสักวันเลยทรมานมากแล้ววันไหนหลานไม่พาไปเที่ยวแล้แกรจะอาราว่าตะโกนดาทุกประตูกลางคืนก้าสุดเจรแล้วนะ คือวัยนี้เนี่ยควรจะเป็นวัยที่ควรจะ ส, สงบสงบหรือว่าควรจ ะ, ะเตรียมตัวเตรียมใจนะให้ใจสงบอันนี้เราเป็นนิสัยที่สะสมมาเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเทียบะึนใจนะให้รู้จักปล่อยวางบ้างธรรมะไม่สนเลยสนใจแในเรื่องเนี่ยสุลานารีภาชีกีฬาบัตอะไรเนี่ยนะ นั้นน่าเป็นห่มากแล้วก็หลายก็ปลุกใจท่านบุญเชษฐมาพูดมาเนี่ยนะก็ความความหวงแหนความห่วงกังวลลูกหลานนะความโกรธหงุดหงิดความหวงแหนทรัพย์สมบัติและความโล่ ยังมีีตัวหนึ่งนะทื่อรับผวนจิตใจนะความกลัวกลัวอะไรกลัวตายนะหลายคนก็มีความทุบคุ่มออกุบใจแทนที่จะหาความสุขแทนที่จะมีความสุขกับการที่เออได้ทำบุญทำกุศลก็คิดถึงเรื่องความกลัวตาย ความตายไม่น่ากลัวนะไอ้ที่น่ากลัวกว่าคือความกลัวตายถ้าเราทำใจไว้ดี <c oughs> เห็นว่ามันเป็นธรรมดางชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเปนทรดางชีวิตแล้วก็ทำควาทำบุญทำบุศมากๆทำความดีฝึกจิตปล่อยว่าง เช่นทำสมาธิภาวนาเวลาตายนี่นตายสงบมากมีผู้หญิคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังนะอยู่กรุงเทพทุกเช้าตื่นึมาตีห้าก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในครัวทำอะไร ทำอาหารสวายพระใส่บาตรพระทุกวันไม่มีหยุดไม่ว่าวันธรรมดาหรือวันนั ก, กตะเล์ ก, ก็ใส่บาตรทุกวันแต่เธอเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่าบาตรเพราะว่าต้องรีบไปทํา ง, งานกรุงเทพเนี่ยตีห้าตีห้าเพิงต้องออกแล้วถึงออกช้านี่รถติดวันหนึ่งเห็นแต่แม่ตื่นขึ้นมาเห็นแต่แม่อยู่ในครัวยายไม่อยู่ก็เลยไปเรียกยาย หน้าห้องยายวันนี้ไม่ใส่บาตรเลยยายบอกไม่ใส่แล้ววันนี้จะสวดมนต์ไว้พระนั้นยายจะเอาอะไรไหมดูกลับมาจะซื้อมาฝากไม่เอาอะไรแล้วแล้วเธอก็ไปทำงานสายๆเนี่ยยายังอย่าไม่ไปจากห้องเลยแม่จะกินข้าวเสร็จ ยายแม่ออกมาย้ายคือแม่ของแม่ของคนที่เป็นแม่พูเร า, านี่นะแม่ก็เลยไปตามหาไปเรียกยายเรียกยายหน้าประตูไม่มีเสียงตอบเปิดประตูก็ไปเห็นยายหรือแม่ตัวเองเนี่ยกำลังนุ่งขาวของขาวนั่งสมาธิทิงเสาเรียกไม่ตอบก็เลยคิดว่าหลับ ก, ก็เลยขยับ พอขยับตัวใชหม ล, ล่างลงมาก อ, องกับพื้นเลยแปลว่าอนะไรฮะตายแล้วแกตายก่อนนะสักชั่วโมงคำถามคือว่ายายรู้ไหมว่าวันนั้นเป็นวันสุทายตัวเองยายรู้ไหมว่าวันนั้นเนี็ยตัวจะต้องตายอาตมาว่ายายรู้นะเพราะไม่งั้นยายต้องมาใส่บาตร วันนยายรู้ว่าตัวเนี่ยต้องตายเนี่ยทำไมยายไม่บอกลูกบอกหลานเพราะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าถ้ายายตายเี่อยากให้ยามีลูกหลานดูข้ามดูรอบเตียงจะได้สั่งเสียคงเป็นเพว่ายายเห็นว่าไม่ยังเป็นแล้วสั่งเสียเพราะว่าอะไรที่ควรจะบอกก็บอกหมดแล้วเตรียมตัวลูกหลานลูกหมดแล้วไม่มีความจะป็นต้องสั่งเสียแล้วไม่จะป็นต้องมาตายท่ามกลางลูกหลานก็ได้เพราะว่า เห็นว่าตายคนเดียวมันสมบกว่าการตายขงยายคนนี้เนี่ยเป็นการตายสงบมากนะเป็นการตายที่สวยงามมากไม่น่ากลัวเลยตายในช่านั่งขัดสมาธนะิทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องทาบุญมาเยอะแล้วก็ต้องปล่อยวางด้วยต้องเจริญสติทำสมาธิจนถ้าปล่อยวางถึงวเวลาจะตายก็ไม่เสียดายไม่อาลัยแหลงสิ้น พร้อมจะไปเหมือนกับที่พระเลวัตตะท่านพวดว่าเนี่ยเราไม่อะไรในชี่อเราไม่ยินดีความตายาดูเหมือนกับในจ้าลูกจ้างรอเวลาเลิกงานพอไดเวลาเลิกงานแป้งก็วางงานแล้วก็เดินออกไปเลยยายคนนี้เหมือนกันเลยนะตอนสายหลานสาวก็รู้ว่ายายตาย มานึกทบทวนก็ก็พบว่าเนี่ยก็เลยได้คิดว่าที่ยากบกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องซื้ออะไรมาฝาหมายความว่าพร้อมจะปล่อยวางแล้วพูดเป็นไนยะ ว, ว่าพร้อมจะไปแล้วไม่เอาอะไรแล้วการตายเนี่ยที่ตายแบบเงิงเงาตายแบบสมงบเนี่ยมันมันเป็นไปได้นะ มีอีกลายนึงนะชื่อว่าคุณหญิงใหญ่นะอันนี้ก็เป็นคนเมื่อประมาณสักเจ็ดสิบปีที่แล้วชื่อว่าคุณหญิงใหญ่ํำรงธรรมสาสรเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันสนใจธรรมะเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรรมะและโดยไม่ลงชื่อคนก็เลยคิก ว, ว่าเป็นหลวงปู่มั่นเขียนพิมพ์กันมา ไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ความจริงว่าไม่ใช่หลวปู่มั่นเขียนนะเป็นผู้หญิงเขียนเป็นกุบาสิ ก, กาชื่อคุณหญิงใหญ่เพิ่งรู้กันเมื่อสามสี่ปีเองฝรั่งไปค้นพบนะพรับฝังนี่เก่งมากเนี่ยด็อกเตอร์มาติงไปศึกษาจนพบ ว, ว่าหนังสือชื่อธรมธรมะธรรมปฏิบัติที่คล้ายค่าเป็นปู่มั่นเขียนเนี่ยไม่ใช่โยมคนนี้เขียนฝรั่งเก่งนะหาเจอ แค่สนใจทำมากมากแล้วปฏิบัติด้วยแล้วตอหลังก็พอสามีเสียชีวิตก็บวชชีบวชเชียอายุประมาณ55อายุ58ป่วยต่างหมอมาตรวจหมอพูดเป็นกำลังใจว่าเนี่ยอยู่ได้อีกนานแม่ชีบอกอย่ามาปอดฉันเลยนะแม่ชีรู้ตัวดีว่าใกล้แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยไปเรียกขอรู้สพอรู้แย่แนละ้วไปเรียกขอให้ไปเรียกพระมาไปนิมนต์พระมาพอพระมาถึงนั้นแม่ชีก็ก็บอกว่าเนีขอให้สวบดบทนี้บทนี้บทนี้แม่ชีบอก เ, อเลยนะว่าอยากจะฟังสวบดบทไหนเพราะว่าคร่องแค่เชี่ยวชาญเรื่องธรรมะพระก็สวดสวดเซก็สังฆนาธรรม คนทั้งนาทำเสร็จก็บอกอกับพระว่าขอกราบอาชีกรังกรากบอกว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่อาชีกรังกรางนะ่าบอกขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่กราบเสร็จนะไปเลยไปในท่ากราบพระนะเมื่อสัก สิบวินาทีที่แล้วยังบอกเลยนะขอถึงสังขารไปที่นี่ผ้ า, น า, ยยนาเนี่ยตกใจอ่ะตายยิงๆเเนี่ยตายนี่ถ้ากราบ้านะไม่มีความทุรนทุรายรเลยเลยความตายน่ากลัวไนะมมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวคือความกลัวตายแล้ถ้าหรัเตรียมมาดีนะเช่นทาบุญทาบุญศน นะทำความดีเรเว้นความชั่วฝึกจิตบำเพ็ญภาวนาเรียนรู ก, การปล่อยวางจเจริญรอนักสกติเสมอมอนักสติคือเราถึงความตา ย, ยเสมอความตายจะเป็นความตายที่สงบงดงามไม่เจ็บปวดไม่ทุรนทุราย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราฝึกเอาไว้นะถ้าเราฝึกไว้ดีเนี่ยความกลัวตายจะไม่มารบ ก, กวนจิตใจฝึกยังไงนะก็ฝึกด้วยการทําความดีด้วยการฝึกปล่อยวางนะปล่อยวางความห่วงแหนห่วงปล่อยวางความห่วงกังวลในลูกหลานปล่อยวางความโกรธนะ ปยวางความวงแขนให้ทรัพยนะ์ทำความดีสร้างบุญสร้างบุญสนฝึ ก, กจิตฝึกใจให้มีสติมสมาธนะิประสบการณ์ชีวของเราเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ปูเป็นเป็นการปลูกพื้นฐานให้เราได้ทำสิ่งที่สำคัญคือการปล่อยวาง คนเราทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรมากระทบ ก, กับเราไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้กับเรานะคนเราไม่ได้ทุกเพราะหนี้สินคนเราไม่ได้ทุกเพราะความเจ็บป่วยคนเราไม่ได้ทุกเพราะว่าลูกหลานไม่เป็นดั่งใจ แต่ทุกข์ก็ไปยึดถือเมื่อก้อนหินน่ะก้อนหินเนี่ยมันใหญ่แค่ไห น, นมันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกเราจะทุกข์ก็แต่เมื่อเราไปแบ่มันถ้าเราไม่แบ่ก้อนหินก็ไม่ทําให้เราทุกข์เสียงไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่เอาหูไปลองเกีย้ยนะความเจ็ความป่วยก็ไม่ทําให้เราทุกข์ ถ้าเราไมไ ป, ปยึดมั่นถึงมัน่นหลวงปูด่ดูเนี่ยท่านเคยนะเคยไปผ่าผ่านิ้วในไตสมัยน้นยังไม่มีอุตสาห์ผ่าเสร็จเยบเรียบร้อยสิบห้าาทีหลังจากนันก็บอกหมอว่าถ้ายังช่วยแล้วไม่เป็นไรแล้วก็คือจะเก็บวัด พระไอ้หมอที่ตกใจหูจะกลับได้ยังไงคนที่พา่าน้อยกว่ท่านเขายังทุกข์เลยยังปวดเลยหลวงปูไม่ปวดเลยหลงวงปูบอกว่าร่างกายแข็งก็เหมือนคนทั่วไปแหละทําไมจะไม่ปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยอย่ามาปนกันกายปวดใจให้ปวดความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกายแต่ว่าใจสมดได้นะ ผมบอกว่าความเจ็บปวดไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะแต่เชื่อเราทุกข์ใจเข้าไปยึดว่ากูปวดกูปวดนะทีจริงไม่ใช่กูปวดนะมันเป็นแค่กายปวดแต่ถ้าเราไปยึดว่ากายเป็นกูเราก็ทุกข์ใจถ้าเราไปยึดกายเป็นของเราเราก็ทุกข์ใจเมื่อกายปวดอันนี้ก็เป็นธรรมะนะขั้นสูงนะที่โยมก็สามารถฝึกได้ สรุปก็คือว่าทุกหรือสุขอยู่ที่ใจนะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การทําใจเจอโชคเจอลาถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกนะอาตรมาจะเล่าเรื่องหนึ่งนะเพื่อตมาเนี่ยเป็นเป็นนักเล่นหุ้นแต่ตอนนี้เลิกแล้วแกเล่าว่าวันหนึ่งไปเจอคุณป้าคุณพี่ตลาดหุ้น รู้จักกันคุยไปคุยมาคุณป้าก็บอกว่าเมื่อสวันก่อนขายหุ้นเป็นตัวหนึ่งล็อตใหญ่เลยได้กําไร10บล้านบาท10บล้านบาทนะเพื่อนสมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรก็นล่ะถ้าฉันขายวันนี้ฉันได้กําไรแล้วยี่สิล้านคุณป้าได้ได้กำไรสิล้านไม่มีความสุขนะ สิบล้านนี่คือโชคนะแต่ถ้าเราหมอนี่เป็นนะเราก็ทุกนะเพราะว่าคุณป้าไม่ช่วยแกได้สิบล้านแกช่วยแกเสียสิบล้านได้สิบล้านไม่ดีใจนะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่หลงเนี้ยไม่มาที่ตลาดทุน้นเพื่อนสมัครเลยไปถามมาร์เก็ตติ้ว่าคุณป้าหาไปไหนแลแกมาทุกวันต้องตอบคือคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าข้ออะไร ขบาบัคคลีย์คนล้าเนี่ยเขาคิดว่าอยากได้โชคดีลาขอให้มีโชคดีลาบแต่ถ้ามีโชคดีลาบแลวังใจไม่เป็นมองไม่ถูกนะมันก็ทุกนะได้สิบล้านก็ยั ง, ย, งยังเสียใจเพราะคิดว่าตัวเองเสียสิบล้านนี่เรามองไม่เป็นนะมองไม่เป็นมองไม่เป็นเห็นแต่ทุกมองเป็นเห็นสุข อาตอมาจะไล่เรื่อยๆจนตกปิดท้ายแล้วนะรู้จักซิกโก้ไหมซิกโก้รือใครไม่รู้จักมันซิกโก้ย่งมืออ่ะไม่รู้จักอะยมโอ้ซิกโก้เป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งผลงานล่าสุดก็คือเอาชนะเวียดนาม 3-0 เมื่อ2วันก่อนซิกโก้เนี่ยก็เป็นโค้ชนะ เขาเป็นนักฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์เก็นกับตันทีชาติและตอนหลังเขาไปค้าแข่งที่เมืองนอกแล้วต่อมาเนี่ยเขาเซ็นสัญญาไปไปแข่งให้กับสโมอสร อ, อังกฤษโอ้ยเป็นข่าวใหญ่นะเมื่อ14ปีที่แล้วนักฟุตบอลไทยไปแข่งในอังกฤษดิวิชั่นหนึ่งเป็นความฝันของซิกโก้จะได้ ใสเสื้อลงสนามฟุตบอลอังกฤษแต่ว่าเขาไม่เคยได้ลงเล่นเลยเขาไม่เคยเป็นตัวจริงเลยนั่งข้างสนามเป็นตัวสํารองแต่ทุกมากเสียใจผิตหวังเครียดนอนไม่หลับรู้สึกว่าการไปอังกฤษครั้งนั้นล้มเหลวแต่เมื่อเมื่อไม่ไมนานไปเนี้ยมีคนไปสัมภาษณ์ แล้วก็ถามเรื่องนี้ใหญ่ ย, ยิ้มเลยนะจะบอกไม่มีอะไรเลยแต่ผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมันไม่มีอะไรเล ย, เลยคือมัน ม, มันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แยกขนาดนั้นนะแต่ก็บอกผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรจะบอกแปลงครืองยนต์มีแต่ได้กับได้ได้ภาษาได้บ้านได้รถนะแต่พัฒนาทักษะได้ เจอคนหลากหลายได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เดินทางได้สัมผัสกับเีื่องทุกอยที่มีสีสันสุดในโลกเสียอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นแกได้ลเลยที่ยันแต่ตอนนั้นแกมองไม่เห็นไะแกลิทูปเนี่ยแต่เครียดจนนอนไม่หลับบอกโอ้โหจะแตกเลยแกได้แต่แกมองไม่เห็นแกไม่เห็นตอนที่กับอังกฤษแล้วค่อยมองอัอหัวเราได้ยืนเนี่ย อา้ยบอกว่าเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เป็นเห็นแต่ทุกข์นะมองเป็นเห็นแต่สุขโยมถ้าตอนนี้โยมมีมีความทุกข์นะแสดงว่าโยมมองไม่เป็นวางใจไม่ถูกความสุขมันอยู่ตรงหน้าแล้วมองไม่เห็นอย่างเมื่อกับคุณป้าเนี่ยได้สิบล้านแล้วแต่ว่าเข้าโรงยบรมเนี่ยเพราะแกมองไม่เป็นเอาเราก็พอสมควรแกเวลาแล้วก็ต่ววพอพฤติกรรมาเดียวเท่านี้เรเจอพร